เราฝึกปฏิบัติมาเราพยายามทำใจให้อยู่กับลมหายใจเข้าหาใจออกลมหายใจเข้าใจเราก็ไม่ฟุ้งซ่านไปทางอื่นก็เห็นลมเข้าเวลาลมออกแล้วก็เห็นว่าลมออก ลมออกสั้นออกยาวเราก็สามารถกำหนดรู้ได้ใจสงบลงไปเราก็สามารถรู้ได้เรียกว่าเรามีสมาธิแล้วเมื่อเรามีสมาธิมั่นคงพอเพียงที่จะทำวิปัสสนาต่อไป วิปัสสนาก็คือความเข้าใจตามความเป็นจริงของตัวตนของเรานี่เองว่าตัวเรานี้เกิดมาอย่างไงแก่มาอย่างไงเจ็บมาอย่างไงตายมาอย่างไงเรามาพิจารณาตัวเราหรือจะพิจารณาเรื่องอื่นก็ได้ แต่มันลำบากที่จะต้องไปทำความเข้าใจให้หันเข้ามาตัวเรานี่เรานี่มีความเกิดมีความแก่มีความเจ็บมีความตายเป็นของธรรมดา มีความเกิดความแก่ความเก็บความตายเป็นของธรรมดาคำว่าธรรมดาก็คือทุกๆคนเจอหมดเกิดแล้วก็เจอมาแล้วผ่านมาแล้วเราไม่รู้เรื่องอะไรด้วยว่าเราเก็บเราเราทรมานขนาดไหนทุกขนาดไหนแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าความเกิดเป็นทุกข์ เราพี่นาเข้ามาที่ตัวเราความแก่ก็แก่มาอย่างนี้แหละอย่างที่เราเห็นนี่แหละมันค่อยแก่ขึ้นแก่ขึ้นเหมือนมะพร้าวนี่ฮะแล้วก็เป็นดอกเกี่ยวต่อมาก็เป็นลูกลูกก็ใหญ่ขึ้นไม่มีใครเอาน้ำไปใส่ไว้เลยแต่น้ำยังมีอยู่ในนั้น สามารถเลี้ยงหมากนั้นให้ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจนเป็นเนื้อเป็นกะลาเป็นเปลือกในที่สุดแก่ขึ้นเต็มที่ก็เหี่ยวแห้งแล้วก็หลุดหล่นลงมาสู่พื้นดินถ้าเอาไปปลูกอีกก็จะเกิดเป็นต้นอีกเรื่อยไปต่อไปเรื่อยๆ คนเราก็เหมือนกันมีเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีแก่ในถ้มกลางมีดับสลายตายไปในที่สุดทุกคนเกิดขึ้นมาเป็นคนนี่หมายได้เลยว่าคนนี้ต้องตายแต่ว่าช้าหรือเร็วอันนี้กำหนดไม่ได้ ส่วนความตายมีแน่นอนเที่ยงแท้แน่นอนแต่วันตายเรากำหนดไม่ได้มีกำหนดได้ผู้เดียวคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากำหนดรู้ได้ว่าเราจะพลนิพพานในวันที่เท่านั้นอันนั้นในวันนั้นประกาศสามเดือนสี่เดือนก่อนที่จะบลินิพพาน บอกว่าเราจะปริมิพานในคืนวันที่เท่นั้นวันเพ็ญเดือนวิสาขบูชาอโอ้กำหนดรู้ได้แต่เราไม่สามารถรู้ได้แต่เราก็รู้ตามคำสอนพระเจ้าว่าความเกิดขึ้นแก่แล้วก็แตกสลายตายไปในที่สุดนี่มีแน่นอนกับทุกคนนี่แหละให้พิจารณาเข้ามาที่ตัวเรา เมื่อเป็นเช่นนี้เราจะทำยังไงเราก็วางวางความยึดมั่นสำคัญหมายในตัวตนอันนี้เห็นตัวตนนี้ว่าตกอยู่ใต้ความไม่เที่ยงเมื่อเกิดขึ้นได้แก่ได้ตายได้ ให้เห็นชัดลงไปในตัวเราเนี่ยแหละว่าเราจะต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนจะหนีจากความเป็นอย่างนี้ไปไม่พน้นแต่ว่าก็ไม่ใช่วันนี้ส่ ว, น, วนนี้เรายังแข็งแรงอยู่ยังไม่ถึงจุดจบของชีวิตแต่ท่านก็ให้พิจารณาถึงความจริงอันนี้ไว เพื่อจะได้เตรียมตนเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะไปจากโลกนี้เราไม่ต้องเกิดซ้ำซากหลายครั้งหลายหนปฏิบัติให้เห็นมรรคเห็นผลขึ้นมาในตัวของเราพิจารณาลงไปในตัวเรานี่ถ้าเรา เห็นว่ามันไม่เที่ยงได้ในใจของเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์คือมันทนอยู่อย่างเดียวอย่างเดิมไม่ได้มันหมุนไปเรื่อยๆและเห็นว่ามันไม่มีตัวตนที่เราจะเข้าไปยึดถือเอาได้ถ้าเราเห็นชัดขึ้นมาในใจเราอย่างนี้ก็เรียกว่าเราภาวนาเป็น เมื่อภาวนาเป็นก็คือมีมรรคมีผลเกิดขึ้นเราก็ไม่ต้องท่องเที่ยวไปไว่าแต่สศกสานสูงต่ ำ, ตำดีบ้างชั่วบ้างไปตามนาดบุญบาปที่เราก็ทำไว้เราทำบุญไว้ก็ได้สุขติสวรรค์ได้ตั้งแต่ที่ทำนี่แหละพอเราทำปับ๊บ บุญก็เกิดขึ้นแกเราทันทีบุญเกิดขึ้นแกเราให้ทานไว้รักษาศีลไว้ปฏิบัติสมาธิปาสนาไว้อันนี้เป็นทางบุญทางให้เกิดบุญเกิดกุศลถ้าเรามีบุญแล้วเราจะเกิดอีก เกียรติชาติแปดชาติอะไรหรือร้อยชาติหมายก็ว่าเรายังไม่รู้มากผลบุญนั้นก็ตามให้ผลแก่เราเราจะเกิดกี่ชาติกี่ชาติบุญก็ตามรักษาเราเพราะเราได้ทําบุญไวเราให้ทานไวเรารักษาศีลไวเราได้ภาวนาไว้คือฝึกสมาธิิปัสสนาน นี่ถ้าเราได้ทำความดีไว้มันเป็นอย่างนี้มันให้ผลเป็นสุขสุขทั้งมีชีวิตยอยู่สุขทั้งตายไปแล้วจิตเราก็ไปสู่สวรรค์เราไปสวรรคกับมนุษย์นี่แหละเที่ยวขึ้นเที่ยวลงอยู่เนี่ย ไปสวรรค์บ้างมามนุษย์บ้างด้วยอำนาจบุญกุศลที่เรากระทำเอาไว้แต่ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรไว้เลยทานก็ไม่เคยให้ศีลก็ไม่เคยรักษาภาวนาก็ไม่เคยปฏิบัติเราจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งเราจะ อ, าอะไรเป็นที่พึ่ง ไม่มีไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเลยเมื่อไม่มีที่พึ่งอวัยวภูมิก็เป็นที่พึ่งของเราเกิดเป็นสันดิสารเกิดเป็นเปรดหิวโหยอดอยากเกิดเป็นอสุรกายเกิดเป็นสนนรก มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเรียกว่าอบายภูมิพวกที่อยู่ในอบายภูมินี้ไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลได้เพราะเสวยทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะไม่มีบุญไม่มีกุศลไม่มีความดีอย่างเกิดเป็นวัวเป็นควายนี่ เขาให้ทําไล่ทํานาชาวนาเข้าไปดันไถไถนาต้วนอ้ว น, นจนพร้อมเวลาข้าวกล้าขึ้นมาเขาดำไว้แล้วกินหญ้าแหละแต่ไปถูกต้นข้าวต้นหนึ่งมันอยู่แฝงอยู่กับหญ้านะเขาก็ตีเอา ตีอย่างไม่มีปานีเลยตีจมูกตีปากไม่เคยคิดเลยว่าโอ้มันทำความดีไว้เราใช้มันทำไรทำนาเขาไม่ได้เคยคิดเลยแค่ไปกินข้าวเขาต้นเดียวทัเขาตีเอาจนจะตายเพื่อไม่เพื่อให้มันเขตดบนหลาบเพื่อไม่ให้มันกิน เนี่ยลองคิดดูสิมันทุกทรมานขนาดไห น, น, นเขาไถนาอยู่ลงคะแนนเลือกตั้งเอ่อเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านเขาทำไร่ทำนาไถนาเสร็จผลการเลือกตั้งได้เป็นผู้ใหญ่บ้านปดแอกออกจากคอยูงไปเลยมีดตําเลยแทงเข้าหัวใจเลย คอนตีหัวตายเสร็จเอาเนื้อหนังวังสาเลี้ยงคนนี่ไม่มีอิสระภาพเลยตายเปล่าถ้ายังไม่เบื่อหน่ายความเป็นควายก็เกิดเป็นควายเง้ยแหละเรื่อยไปนี่แหละเป็นอย่างนี้แหละ เป็นสารนรกกูเหมือนกันลําบากตั้งแต่สรนชีวานรกไปจนถึงอาวจีมาานรกความร้อนแรงทุกทรมานหนักขึ้นหนักขึ้นถึงอาวจีมาานรกหนักที่สุดอาวจีแปลว่าไม่มีระหว่างทุกไม่มีระหว่างไม่มีหยุดยัง้งไม่มีพักมีผ่อนเลย นี่แหละให้เราพิจารณาถ้าเรายัางท่องเที่ยวเว้นว่าตายเกิดอยู่ความทุกข์ก็ต้องมีแก่เราอยู่แน่นอนเกิดสักกี่ภพกี่ชาติก็ต้องมีทุกข์งนั้นะนี่หมายถึงเปิดมนุษย์ ทุกเพราะลูกเพราะเมียทุกเพราะลูกเพราะหลานเพราะเข้าของเงินทองทรัพย์สินสมบัติรรมาหากินทำงานทั้งวันได้ส0 0รอบาทไปซื้อขนมห่อหนึ่งหมดไปแล้วล้าสิบบาทอซื้อเนื้อซื้อปลาหมดไปร้อยบาทแล้ว ซื้อเหล้าซื้อเบียร์กินหมดไปละสามลอยไม่เหลือเลยทำพอได้อยู่ได้กินนี่เพราะอะไรจึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าไม่ได้ทำบุญไว้ไม่ได้สร้างสมกุศลสัส่งสมบารมีไว้ไม่ได้ให้ทานไว้ไม่ได้ทำความดีเอาไว้ ไม่เคยคิดหรอกว่าทานมันเป็นยังไงมันมีผลดีผลเสียอะไรไม่ได้เคยได้คิดขอให้มีอยู่มีกินสืบบ้นสืบมือไปก็พอนี่ความทุกข์ของผู้ท่องเที่ยวอยู่ในวัดสะโฉ u a เป็นอย่างนี้เลี้ยงปากเลี้ยงทองเลี้ยงตัวเลี้ยงตนลำบากลำบน แสนทุกทรมานนี่ครอบครัวผัวเมียก็ลำบากถ้าเอาแต่ใจอย่างเดียวไม่ได้ต้องคิดถึงใจเขาคิดถึงใจเราต้องมีอดมีทนมีขวอบอดความทนไม่รู้อำนาจความโกรธความหลงกิเลสตัณหา ทุกขาชาติปุนบปุนังการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ล่ำไปท่านท่านจึงให้พิจะะารณาให้เกิดมรรคเกิดผลขึ้นมาในตัวเราเป็นพระสวบับาลเราอยู่ได้เก็ดชาติเรามาเกิดในมนุษย์่เก็ดชาติเก็ดชาตินี้เราไม่ไปสู่อบายภูมิเลย ไม่ตกต่ําไม่ไปเกิดในตระกูลสมมิธสาธิฐิคือตระกูลที่เห็นผิดจากทํานองครองธรรมย่อมเกิดในตระกูลที่เป็นสัมมาทิฏฐิมีโอกาสที่จะได้ปฏิบัติธรรมมีโอกาสที่จะได้พ้นจากความทุกข์ไปท่านจึงว่าเกิดอย่างช้าที่สุดเกียชาติถ้าเป็นสุรบัณ น, นั่น เราจะเป็นส่วนรบันได้อย่างไรเพราะการพยายนานิจารณานี่ยการทาวิปัสสนานี่ยให้พิจารณาลงไปที่กายของเราพรามันเป็นอย่างที่กล่าวมาแล้วนะที่นาลงไปในกายของเราอันนี้เป็นแขนอันนี้เป็นมือ อันนี้เป็นเท้าอันนี้เป็นแข้งอันนี้เป็นขาอันนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นหลังเป็นสี่โคง้งเป็นกระโหลกศีษะเป็นคอพี่นาเข้ามาอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวว่าเอาแบบ ง, ง่ายๆเลยพี่นาดูมือมือเราก็เอาเอาออกเสียต้มมะต้มแล้วก็รีดออก เหมือนพวกทหารที่ไปรบประเทศลาวนี่ตายมาแล้วเขาก็เอามาต้มเขาก็เอาเนื้อเอาหนังออกเหลือแต่กระดูกไว้ยัดใส่กระสอบหมายเหตุไว้ว่าคนนั้นชื่อนั้นเป็นพลทหารนั้นตายวันที่เท่านั้นเท่านั้นส่งกระดูกกลับบ้าน เราพี่นายเห็นเป็นโครงกระดูกที่ตัวเราในตัวของเราเนี่ยพี่นายเห็นเป็นโครงกระดูกขาก็มีกระดูกแข้งก็มีกระดูกเท้าก็มีกระดูกหลังก็มีกระดูกสันหลัง แต่พกก็มีกระดูกโครงสร้างส่วนนี้ก็มีกระดูกเรียกว่าสี่โครงไล่มาที่มือที่แขนที่นึงก็เป็นกระดูกไล่ไปที่ศีรษะก็เป็นกระดูกเรียกว่ากระโหลกศีรษะถ้าตายแล้วปล่อยทิ้งไว้หมูนอนก็มากิน มอแรงวันก็ตอมหรือพูดง่ายๆมันแรงวันมากินกินแล้วไม่กินเถอๆขี้ใส่ด้วยขี้ใส่ก็กลายเป็นหนอนบ้าหนอนเต็มไปหมดให้พิจารณาอย่างนี้มันก็ตัดรัดสั้นเข้าไป เกิดความเห็นแจ้งเห็นจริงขึ้นมาว่าความเกิดก็ไม่เที่ยงความแก่ก็ไม่เที่ยงความเก็บความตายก็ไม่เที่ย ง, เ ก, ยก เ, ยงเกิดขึ้นได้กับทุกคนตายแล้วก็ทิ้งไว้ในโลกนี้แหละกระดูกอันนี้ตัวตอนนันนี้ตนอันนี้ไม่มีเข้าไปทําอะไรหรอกให้เอาไปทําอะไรเป็นอย่างนี้ ก่อยพิจารณาอยู่บ่อยๆถ้าพิจารณาบ่อยๆก็เกิดพลังกิดเห็นชาติปล่อยวางได้ละความยึดความถือได้ไม่สำคัญมั่นหมายว่าอันนี้คือตัวของเราจริงๆ ตามสมมุติโลกก็เป็นตัวของเรานั่นแหละตามสมมุติโลกเนี่ยก็เป็นตัวของเราเอาน้ำร้อนมาเทใส่ก็ตรงร่องโอ้ยๆเหมือนกันเจ็บเหมือนกันแม้แต่เป็นผ้าละหันแล้วท่านก็เจ็บเหมือนกันนี่เป็นอย่างนี้เจ็บเหมือนกัน แต่ตามบัญญัติธรรมั น, ม, น, นมันไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นตัวเป็นตนอยู่แต่มันสลายมันเปลี่ยนแปลงได้ตัวตอนอันนี้ตายแล้วก็เหลือแต่โครงกระดูกเท่านั้นแหละเหลือไว้ในโลกนี้นะเนื้อหนังมังสาก็เป็นเท่าเป็นฝุ่นไปหมดแล้ว เนี่ยให้เราเพิจารณาเข้ามาที่ตัวเราอันนี้บัญญัติธรรมพระพุทธเจ้าว่าไม่มีตัวตนที่แท้จริงเอตังมะ ม, มะเอสโสหมัสสมิอันนี้เป็นของเราอันนี้เป็นของของเราเป็นตัวตนของเรา แต่พพุทธเจ้าว่ามันไม่ใช่แท้จริงแล้วมันสลายไปมันหมุนไปสู่ความแตกสลายในที่สุดมันหมุนไปเรื่อยให้เราเห็นอย่างนี้ให้เห็นว่าตัวตนของเรานี่เกิดขึ้นได้ตั้งอยู่ได้แล้วก็ดับไปได้มีเศรกิจของเราแหละไปท่องเที่ยวเกิดตาย ตามอำนาจบุญและบาปใครทําบุญไว้ก็ไปสุคติสวรรค์อยู่เป็นมนุษย์ก็มีความเบาใจสบายใจว่าเราไม่ได้ทําชั่วใส่ตัวไว้เราทําดีใส่ตัวเหมือนท่านทั้งหลายที่มาทําคือทําความดีใส่ตัวมันก็มีสุขใจนั่นแหละมีสุข กายมันไม่มีสูขหรอกพานั่งนานๆสามวันเจ็ดวันนี่ก็โอ้โหจะขอลา ก, กลับบ้านเด้วบางหลายก็สู้ไม่ไหวถอยทับกลับไปเลยนั่นกายเป็นอย่างนี้แหละกายแต่ใจนั่นรับสุขรับทุกข์เอาไว้ด้วยเหตุ น, นี้ จิงให้พิจารณาว่าตัวตนของเราเป็นของไม่เที่ยงแต่ก่อนเราก็เป็นเด็กต่อมาก็เป็นผู้ใหญ่ต่อมาก็เป็นคนเท่าคนแก่ต่อไปในที่สุดก็เป็นคนแก่งอมถายุแปดสิบเก้าสิบแล้วก็แก่งอมแล้วพร้อมที่จะหลน่น ถ้าร้อยปีก็เตียไมไว้ได้เลยไปแล้วแต่โดยมากไม่ถึงปานนั้นหรอกหกสิบเจ็ดสิบนี่ก็เต็มที่แล้วตายแล้วกายก็เขาก็ไปเผาที่ป่าชาเผาแล้วเหลืออะไร เหลือแต่เท่ากับฐานเนื้อหนังมังสาของเราเป็นเท่ากระดูกของเราไฟไหม้กลายเป็นฐานบางคนก็พอเก็บกระดูกแล้วก็เอาใส่ทาดน้อยไว้เรียกว่าเกีย ด, ดีน้อยเป็นที่ระลึกเขียนชื่อติดไว้กับผู้นั้น ชื่ออย่างนั้นตายวันที่เท่านั้นเกิดวันที่เท่านั้นนี่เลือประวัติไว้ในเกียร์ดีน้อยเท่านี้แหละกระดูกที่ยังเหลืออยู่เข้าไปไหนเอาไปโรยน้ำโขงเอาไปโรยน้ำโขงนี่แหละสุดกัอนอยู่แค่นี้ อันนี้ตัวตนส่วนกิจใจไม่สุดอยู่เพียงเท่านี้ถ้าไม่สำเร็จเป็นพระอาราวันก็ยังต้องท่องเที่ยวอยู่ในวัตตอยู่เป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรมเป็นพรมสุทาวา่าถ้าได้อนาคามีถ้าบรรลุธรรมถึงขั้นนาคามีก็ไปพรมสุทาวา่า ถ้าบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายจิตใจบริสุทธิ์ไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงไม่มีราคะตัณหาอยู่ในใจเลยใจเบาใจสบายใจเยือกเย็นใจเป็นสุข ไม่คิดชั่วไม่คิดหยาบไม่คิดโทษคนนั้นโทษคนนี้ไม่มีมีแต่เมตตาจิตมีแต่ความสุขถ้าเราได้บรรลุเป็นพระลานก็เป็นอย่างนี้ก็ไปเข้านิพพานเป็นอย่างนั้นทุกๆคนเนี่ย มีนิสัยปัจจัยเพื่อมักผลนิพพานอยู่แล้วเราไม่ใช่มาทำความดีวันนี้พรุ่งนี้เราทำความดีมาแล้วหลายภพหลายชาติหลายกับหลายกัดผ่านพระพุทธเจ้ามาหลายพระองค์แล้วแต่เราก็ยังไม่พ้จากทุกข์ มาชาตินี้พบนี้เรามีโอกาสได้มาปฏิบัตินี่ก็เรียกว่าเข้าถึกธรรมของพทธเจ้าได้เหมือนกันสามารถพ้นทุกได้อย่างน้อยที่สุดได้เป็นพระสวสดาบันก็ยังดีประกันได้เลยว่าไม่ตกนรกหมกไหมไม่คิดทำบาปเว้นจากบาปทำความดีทำจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใสอยู่เรื่อย เพราะฉะนั้นท่านจึงให้พิจารณาให้พิจารณาเข้ามาที่ตัวตนของเราดังอธิบายมาแล้วนั่นแหละพิจารณาเข้ามาพอพิาจารณากิจเราก็วางมันวางลงไปเลยเกิดความสบายขึ้นมาในใจเลย นั่นแหละเรียกว่ามันเข้าถึงธรรมของพุทธเจ้าแล้วมีดวงตาเห็นธรรมแล้วแต่ก่อนเห็นแต่โลกแต่คราวนี้เห็นเห็นธรรมแล้วเห็นธรรมในใจของเราแล้วให้พิจารณาบ่อย พี่นาเป็นโครงกระดูกก็เห็นชัดลงไปในโครงกระดูกิี่นาเป็นเท่าเป็นฐานก็กายนี้ก็เป็นเท่าเป็นฐานไปในที่สุดเหมือนกันมันไม่เหลืออยู่เลยเกิดอีกก็เอากายไหมบิดาบานดาจะเป็นคนเดิมหรือคนใหม่ก็แล้วแต่บุญแต่บาป แต่ไม่มีใครหรอกอยากไปนรกอยากไปแต่สวรรค์อยากไปแต่พรมโลกอยากไปแต่พระนิพพา น, นนิพพานังประมังสุขขงังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งอยากไปพระนิพพานอยากไปพรมโลก อยากไปสวรรค์บางคนก็อยากมาเกิดเป็นมนุษย์มันก็ประกันได้ว่าถ้าเราบรรลุมรรคผลแล้วมันก็ได้ไปตามที่ใจเราปรารถนาได้เป็นพระโสดาบันก็ไปสวรรค์กับมนุษย์เท่านี้เองพระพุทธเจ้าตัดไว้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน ถ้ยเอกฤาษีนะสักัตสักขมณีนว่าโสตาปฏิพลังวังความเป็นใหญ่ในแผ่นดินคือเป็นพระราชามหากษัตริย์ก็สู้ความเป็นพระโสดาบันไม่ได้ เป็นใหญ่ในสวรรค์สกัดษาเป็นใหญ่ในสวรรค์ก็สู้ความเป็นพระโสดาบันไม่ได้เป็นใหญ่ในโลกทั้งสิน้นกามาโลกคือสวรรค์กับสัตว์นรกเราเป็นใหญ่หมด ภพมโลกเราก็เป็นใหญ่สวรรค์เราก็เป็นใหญ่อบายาภูมเราก็เป็นใหญ่เราพูดเดียวเท่านั้นสั่งการหรือกาหนดว่าอันนั้นจกเป็นอย่างนั้นอันนี้จกเป็นอย่างนี้ตามที่ใจเราปรารถนาเราเป็นใหญ่ในโลกทั้งสิ้นกามาโรกรูปโลกอารูปโลก เป็นใหญ่หมดก็สู้ความเป็นพระโสดาบันไม่ได้จู้ความเป็นพระโสดาบันไม่ได้เลยเราเป็นโสดาบันนี่ตายแล้วไม่ตกนรกไปแต่สวรรค์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี่เท่านั้น นี่มันเป็นอย่างนี้พระราชาฮักกษัตริย์ตายแล้วยังไปเกิดเป็นอาวะเป็นไปเกิดในอาวัยภูมิได้ไปเป็นสเดียสารก็ได้เปรตก็ได้ก็ได้อสุรกายก็ได้สนโรกก็ได้นี่ แต่ผู้ที่โฉเป็นสวดาบันนี่ไม่ต้องไปในภูมันต่ำเหล่านั้นเลยให้ไปสู่ภูมันต่ำไปแต่สวรรค์กับมนุษย์นี้เท่านั้นมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่พิกลพิการหูหนวกตาบอด เพราะมีบุญนั่นแหละมีบุญบุญเป็นผู้ตกแต่งให้เราถึงความสุขความเจริญถึงความดีงามเหล่านั้น ให้พิจนาลงไปวางลงไปให้มันสงบลงไปมันจะลืมลมหายใจก็ไม่เป็นไรดูมันไม่มีลมหายใจก็ไม่เป็นไรวางลงไปเหมือนเราตกเหว วูบดับลงไปเลยก็ให้มันดับลงไปนี่แหละได้ดวาจิตระวางจากความยึดมั่นถือมั่นสำคัญหมายละสกายะทิฐิได้ละวิกิจฉาความรังเลยสงสัยได้ ให้ปฏิบัติไปพี่นาไปเรื่อยๆมันวางลงไปแล้วก็อย่าไปตกใจก็ให้มันวางลงไปก็จับเอาความสงบอันนั้นแหละไว้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมแต่ละครั้งคนบรรลุมากผลเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่สโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรารหัน เป็นจำนวนมากประเทศไทยเราท่านพระโสณนะพระอุตระพร้อมด้วยคณะเป็นธรรมทูตมาจากประเทศอินเดียในสมัยสังายนณาครั้งที่สามพระเจ้าโศกมหาราชทรง พระธรรมทูตไปเผยแพร่ศาสนาเก้าสายมาสวนภูมิสายหนึ่งคือมาตั้งหลักอยู่ที่นครปฐมนครปฐมแต่ก่อนเป็นทวารลวดีดินแดนสวนภูมิเขาเรียวกว่าสวนภูมิแสดงธรรมครั้งแรก แสดงแสดงทมครั้งแรกพมชาลสูตรเทศเรื่องพมชาลสูตรคือการเข้าถึงพระตรรใจจบกันเทศนั้นคนบนรรลุเป็นพระอรหันต์หกหมืน หกมื่นคนแต่เราแสดงนี้ได้ห้าคนสิบคนเราก็เอาได้เท่าไหร่เราก็เอาขอยตั้งใจปฏิบัติอย่าท้อถอย ปฏิบัติไปเรื่อยๆทำความดีไปเรื่อยๆความดีไม่ใช่ของคนอื่นเราทำเราจึงได้คนอื่นทำมาแทนไม่ได้หรอกอย่างรักษาศีลก็เหมือนกันคนอื่นจะมารักษาแทนเราไม่ได้ใครทำคนนั้นก็ได้ให้ทานก็เหมือนกันเราทำไว้จึงเป็นของเรา เราจะรอรับบุญรับกุศลจากลูกจากหลานจากญาติจากมิตรมันยากเขาคิดได้เขาก็ทำเขาพร้อมเขาก็ทำให้ถ้าเขาไม่พร้อมเขาก็ไม่ทำให้เราก็ไม่ได้อะไรเลยเราไม่ได้ผลดีอะไรเลยนอกจากเราทำเอาของเราเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่แต่ภาวนา น, นี่กิเหือนกัน ปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาเนี่เราทำเอาเองจริงๆอ่ะ น, นี่ครูบาอาจารย์ก็เป็นแต่เพียงผู้บอกผู้สอนเท่านั้นแต่การที่เข้าถึงธรรมหรือได้ดวงตาเห็นธรรมหรือมีมากมีผลมันก็เป็นเรื่องของเราถ้านอธิบายไว้เราทำตามได้แล้วก็ได้ก็ได้ของเราเอง ผู้เคยมาบ่อยๆนะนะั่นกลับไปบ้านนะให้พิจารามันไม่มีโอกาสนั่งสมาธิก็นั่งอยู่ธรรมดาก็ลองพิจารณาดูนี่ตัว น, นี้กระดูกแข้งกระดูกขากระดูกแขนอันนี้เล็บนี่ฟันอันนี้หนังอันนี้เนื้ออันนี้เป็นกระดูก พิ ا ن าอย่างนี้ใจเราก็วางได้วางความยึดมั่นถือมั่นได้ก็พ้นทุกได้เหมือนกันขอให้ตั้งใจปฏิบัติอัตมาสแสดงมานี้คิดว่าทุกท่านคงเข้าใจในวิธีปฏิบัติว่าทำอย่างไรใจจึงจะสงบ วันนี้สอนในการพิจารณาเกี่ยวความสงบที่เป็นอยู่นะั่นแหะที่มันสงบเป็นอุปจารสมาธินะั่นมาพิจารณาหรเอก็ตาลมนะี่มีอารมณ์อันเดียวนั่นแหละมันไม่คิดเรื่องอื่นแล้วมันคิดแต่อยู่กับลมแล้วให้เอาพิจารณาบไนี้จะไปแต่เพ่งดูลมอย่างเดียวให้พิจารณาให้พิจารณาแยกแยะตัวตนของเราดิและ จนกว่ามันจะเห็นชัดด้วยตัวของเราเองเราก็จะสบายขึ้นคุณภาพของเราก็ไม่เสื่อมมีแต่ดีขึ้นไปเรื่อยๆใจเราจะมีสุขมีความสบายมีความสงบมีความเยือกเย็นนั่นธรรมะนด้นะั่นธรรมะเกิดแล้วนะั่นธรรมะเกิดแล้ว ถ้าธรรมะไม่เกิดมีแต่ร้อนนะบ้านลุกเป็นไฟเลยกิเลสนี่ความโลภความโกรธความหลงนี่เต็มบ้านเต็มเรือนเราเลยเต็มหัวใจเราเลยเรามาฝึกปฏิบัติอยู่เออก็ดีอยู่แต่พอกลับไปบ้านแล้วไม่รู้จะเอาไว้ที่ไหนผลกระทบอารมณ์น้อยใหญ่ก็ เรื่องความโลภความโกรธความหลงแล้วมันอันนั้นไม่ถูกกลับไปแล้วก็ให้คอยสังเกตลมหายใจบ้างพิจารณาอาการสามสิบสองหรือตัวตนของเรานี้บ้างอันนี้เป็นหนังอันนี้เป็นเนื้ออันนี้เป็นเล็บอันนี้เป็นฟันอันนี้เป็นกระดูกให้พิจารณาอย่างนี้บ่อยๆ ทุกโอกาสที่มีเวลาที่พอจะทำได้ให้ทาถ้าเราสามารถทำได้ปฏิบัติได้ใจเราก็จะมีความสุขขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงพระนิพพานนั่นแหละจนไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารนี้อีกต่อไปนู่นเนยถ้าเราเริ่มต้นถูกมันก็ถูกไปหมดมันก็ดีไปหมด ถ้าเริ่มต้นผิดมันก็ผิดไปเรื่อยๆเพราะนั้นท่านึงสอนว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความเห็นชอบเห็นอะไรเห็นความเกิดความแก่ความเก็บความตายเนี่ยว่าเป็นของไม่ที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตานี่นั่นแหละสัมมาทิฏฐิแหละคือความเห็นชอบแล้วเห็นอริยสัจสี่ในใจ สัมมาทิฏฐิสัมมาสักปปะความดำริชอบพูดง่ายๆความคิดชอบคิดอะไรอะ่ะคิดออกจากกามคิดไม่พยาบาทเบียดเบียนนั่นคิดไม่พยาบาทคิดไม่เบียดเบียน ไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นให้ความคิดของเราเป็นสัมมาสังกัปปะความดำดิชอบสัมมาวาจากีราจาชอบพูดชอบพูดเป็นอัดเป็นธรรมพูดไม่ด่าเขาไม่พูดคาหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไม่สับสอายุยง ให้คนแตกสามัคคีกั น, น, นพูดแต่ในทางที่ดีเรียกว่ามัคมีองคป8ดมัคเปดสัมาสมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบ สัมมาวายามะเพียงพยายามชอบสัมมาสติตั้งสติชอบหรือระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งใจมัน่นชอบนี่แหละในสัมมาสมาธินี่แหละเพียงพยายามอย่างนั้นตลอด คอยเฝ้าดูลมหายใจเข้าออกอยู่จนเป็นสมาธิแต่วันนี้มาเทศในเรื่องีิปัสสนาก็คือสมาธิที่ให้เห็นถูกเห็นจริงแจงประจักขึ้นมาในอริยสัจสี่เพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากวัทสงสารอ น, นี้ ที่มันทุกแสนทุกนี่ที่เราท่องเที่ยวเวียนไหวาตายเกิดไปรู้จักจบสิ้นพระพุทธเจ้าว่ากองกระดูกเท่าภูเขาใบบุญบรรพชนี่คนเที่ยวเกิดเที่ยวแก่เที่ยวเก็บเกลตายคนเดียวนะเก็บกระดูกมารวมกันไว้กองกระดูกเท่าภูเขานั่ น, นกลับเดียวแต่เราเกิดกลับเดียวเมื่อไหร่ เราเกิดนับกับนับกันไม่ท้วนมาแล้วกองกระดูกนี่มันเท่ามันใหญ่กว่าผู้เขาแล้วกระดูกของเราเแต่เราก็ไม่พ้นทุกสักทีทำไมไม่พ้นทุกก็ไม่มีครูบาอาจารย์บอกสอนอบรมตักเตือนหรือแนะวิธีปฏิบัติเราก็เลยไม่พ้นจากความทุกขสักที ก็เกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกกันเราควรจะเบื่อหน่ายความท้องเที่ยววินว่ายแต่เกิดในวัฏสงสารอันนี้แล้วทำใจของเราให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งพวงเข้าถึงมรรคผลนิพพานก็จะพ้นจาก ความทุกข์ทั้งปวงคอยตั้งใจปฏิบัติไปเรื่อย